ยังช้านะเมื่อวานก็มีหลายท่านเนี่ยที่ได้ไปดูวิดีโอนะอาจารย์างคนท่านานุ่อคนะวามตายนะเนี่ยมันมาเป็นวิชาเนี่ยเป็นบททดสอบสุดท้ายของชีวิตคือการใช้ชีวิตทั้งหมดของเราสุดท้ายก็ไป เป็นสิ้นสุดที่ความตายเนาะแต่มันคือมันเป็นการสุดท้ายของร่างกายนะแต่ไม่รู้มันจะเป็นการสุดท้ายของจิตวิญญาณหรือเปล่าอั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือมันเป็นก็เป็นสภาพสุดท้ายของร่างกายที่จะต้องเป็นสู่จุดนั้นแต่ถ้าใครยังมี ยังมีตันหายังมีความยึดติดถือมั่น ย, ยังมีความห่วงอะไราอาว ร, อร์อยู่นะมันก็คงไม่ใช่พกชาติสุดท้ายของชีวิตนะใครจะต้องไปเวียนว่ายใจเกิดอีกม่ธุรกิจพบ ก, กี่ชาตนะิมันก็เวียนไปแบบนั้นแหละนะบางทีคนเรานาะส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตแบบอะไรแบบแบบดื่มว่าเราจะตายนะ <c oughs> เรา เราต้องการเราแสวงหาสิ่งต่างๆนภายนอกมาเยอะมากเหมือนคิดว่าเราจะเราจะต้องใช้มันเยอะๆเองเียเราไม่ทันคิดว่าเราทักๆเราก็ต้องตายละแต่คนใช้ชีวิตแบบลืมตายนก็เลยใช้ชีวิตด้วยความโลภเยอะ อยากได้จริงนั้นสิ่งนี้นะมาปนเปิดความสุขมาสะสมนะเยอะๆหรือวงทีก็ทำงานเยอะนะจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับตัวเราเองเพราะว่าอยากจะให้มันมีเยอะๆลืมว่าวันหนึ่งเราต้องตายนะลืมว่าเวลาในชีวิตมันไม่ได้เหลือมากมันยังมีอีก ตั้งแ่หลายอย่างในชีวิตที่มันก็มีคุณค่าเหมือนกันนะเช่นการให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวการสนใจศึกษาสิ่งที่มันเป็นการพัฒนาจิตใจหรือการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะประโยชน์ต่อโลกแบบนี้นมันก็มีคุณค่าไม่น้อยก่บการเพียงแค่เราหาเงินหาทอง หรือว่าต้องหาสิ่งของต่างๆเยอะๆแต่ที่จริงในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเรื่องวัตถุนะไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวยไม่ได้ปฏิเสธความสะดวกสบายรวมทั้งไม่ได้ปฏิเสธความสุขด้วยเมืนะ่งกีเราฟังผิด น, นะแบบ คือพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่พิมแต่ว่าท่านสอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่น<ม>คือถ้ามันมีมันได้มาด้วยน้าพักน้ําแปรได้วยความบริสุทธิ์นะอันนั้นก็คือได้มาด้วยความชอบธรรมทั้ ง, นะงความสุขทางโลกหรือความสุข<ม>ทางนามธรรมก็ดนะีถ้ามันมีมาเราก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธให้มันไม่มีนะ แต่สิ่งที่ในการปฏิบัติคือการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันเยเมื่อมันหายไปเนะี่ยเราจะเป็นทุกข์ใชเรายึดมั่นสิ่งไหนนะเราก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่นานๆถ้าสิ่งนั้นมันหายไปใจก็เป็นทุกข์แต่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าเออมีนะเราก็รู้ว่ามันมีนะ แต่เราก็มีด้วยปัญญารู้ว่าสิ่งนั้นก็อาจจะหายไปก็ได้เมื่อสิ่งนั้นมันหายไปนะใจก็จะไม่เป็นทุกข์นะมันมีอยู่เออก็ดีก็ได้ใช้นะแต่ถ้ามันหายไปก็ไม่เป็นไรอันนี้คือคนมีมีสิ่งของภายนอกก็ดีหรือมีความสุขภายในใจก็ดีนะจิตใจถ้ามีแบบมีปัญญาไม่ยึดมั่นถืมมั่นเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์นะ แต่คนหลายคนมีแบบไม่เป็นยามีแล้วก็ยึดว่ามันจะต้องอยู่ของเรา น, น, นานๆมันจะเป็นของเรา น, น, นานๆนะเราจะต้องอยู่กับเขาตลอดไปอย่างนี้เนาะพอมันจากกันไปนะใจก็เป็นทุกข์มากเพราะเราลืมดื่มอะไรดืมแบบดื่มความไม่เที่ยงนะดื่มความตายนะเราใช้คิดแบบดื่มตายมันก็ทำให้เรา เสียเวลาไปกับการสแสวงหาแล้วก็การยึดมั่นถือมั่นเยอะเกินไปแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบราลึกถึงความตายไปบ่อยนะมันจะทำให้เรารู้จักพอใจพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คำ ว, ว่าพอใจไม่ใช่ว่าต้องหยุดสแสวงหานะเราก็อาจจะทำงานอยู่เราก็อาจจะต้อง ปฏิบัติทำอยู่นะแต่เดแตยว่าให้พอใจในแต่ละขณะที่เราที่เราทาได้ในตอนนี้นะคือค่อยๆฝึกฝนค่อยๆสะสมไปมก็พอใจนะ อ, อย่างหลพอพุทธทาส น, นะมีามีคนถามท่านเช่นมาสร้างท่านตอนท่นานสร้างศาลาเนะ่ก็มีคนถามว่า หัวพอสร้างสระเสร็จหรือย่างเนะหลวงพ่อพุทธ่าก็บอกว่าก็เสร็จทุกวันคือพอใจในการได้ทําทุกวันเมันก็เสร็จทุกวันมันก็ได้รับผลลัพธ์ทุกวันแต่ถ้าบางทีเราเป็นมองที่เป้าหมายความสําเร็จนะหรือทําให้มันเสร็จสิ้นเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าหนทางมันยาวไกลเนียหรือบางทีเราก็ไม่ค่อย พอใจไม่ค่อยมีความสุขในขณะที่มันยังไม่เสร็จนะแต่ถ้าเรา <S 2> <S 2> <S 2> มีความรู้สึกว่าเราก็ทําทําเสร็จทุกวันนะคือเรามีความพอใจในการทําเหตุนะทุกขณนนะเจิตใจเราจะจิตใจเราจะมีความสุขจิตใจมันจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวล น, นะนี้คือถ้าเราเรารู้ถึงนะโอ้ที่จริงถ้าใช้ชื่อแบบพอใจนะ มันก็จะมีความสุขขึ้นมาได้ง่ายนะมันจะรู้สึกเลยนะเราก็มีพอทุกอย่างแล้วนะในชีวิตนี้นะแต่ถ้ามันจะมีมาเพิ่มเราก็ถือว่าเป็นกรรมใดมันจะหายไปบ้างก็ไม่ได้ถึงขั้นนะเสียไม่ใช่ถึงขั้นคอขาดบาดตายอะไรหรอกนะแต่สุดท้ายแม้ชีวิตเรามันก็ไม่สามารถยื้อได้เนาะเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องตาย เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบเราอย่าลืมว่าเราต้องตายนะถ้าเรามีชีวิตแบบน่าลึกว่าวันหนึ่งเราต้องตายเนะี่ยเราจะพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ที่มีคุณค่านะ่ะต่อชีวิตเราเนยะอะไรเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนก่อนที่ชีวิตนี้จะตายไป อันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะให้เราระลึกบ่อยๆว่าเนให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าเป็นสมัยก่อนคนหรือบางคนงมงายหน่อยก็จะพอพอพูดถึงความตายแล้วก็จะพูดว่าเป็นอัปมงคล น, นะแต่คนสมัยใหม่สมัยนี้นะมาว่าจะเดินขึ้นนะนะสามารถพูดถึงความตายได้แบบ ใครพูดถึงความตายใครไปอบรมคอสความตายเนี่ยถือว่าเป็นคนทันสมัยนะเพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดที่เตรียมพร้อมนะมีการเตรียมใจด้วยนะเป็นคนหัวก้าวหน้านะคนที่ระลึกถึงความตายหรือคนที่ปฏิบัติธรรมนะสมัยก่อนคนก็มองว่าคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือคนแก่ คนมาปฏิบัติธรรมคือคนมีปัญหามีความทุกข์แต่มาว่าสมัยนี้ดีนะการปฏิบัติธรรมบางครั้งมันดูเหมือนเป็นเรียกว่าเปนเทนนะักเป็นเป็นค่านิยมสมัยใหม่สำหรับคนที่ที่ดูมีคุณภาพนะมันก็ฮะวัก่อนเี่ยมาบอกองค์ีมันก็อาจจะไม่ใช่นะที่บอกว่า บางคนมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะหนึ่งเพราะว่ามีปัญหาสองเพราะว่ามีปัญญาเนะแต่ จ, จะมีสามนะเพราะว่าเป็นเทน <c oughs> หรือว่าอาจจะมีสี่เพราะว่าถูกคนดอกร่างชักจูงลากมาออ <c oughs> <c oughs> ก็มาปฏิบัติธรรมก็มีนะแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าว่าการปฏิบัติธรรมมันดีก็ เ, เอาไปใช้ต่อนะไม่ว่าเราจะ มาด้วยมาลองลองดูนะว่าเขาว่าดีเป็นแบบไหนหรือว่ายาตีน้องชวนมาเองก็ดีน ะ, ะมาแบบไหนก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้เห็นว่าให้พิจารณาเอานะว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเราหรือไม่เพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเราจะเอาอะไรไปได้นอกจากนะบุญกุศลคุณงามความดี หรือวันหนึ่งถ้าเราต้องป่วยหนักถ้าเราต้องตายเนะี่ยเราแน่ใจไหมว่าเราว่าเราจะรับมือกับสภาวันนั้นได้นด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่ห่วงไม่กมังวลเราถามดูตัวเองนะนะว่าเราพร้อมหรือยัง น, ะ น, นี้คือถ้าเราไม่ใช่คิดแบบลืมตายนะเราจะเราจะไม่ประมาทนวมทั้งที่จริง คนสมัยนี้ที่มีความกลัวมีความวิตกนะหลายๆอย่างนะมันก็รวงมาสุดที่กลัวอะไรเรากลัวผีเรากลัวช้างเรากลัวเสือเรากลัวงูเรากลัวโจรนะเรากลัวอุบติเหตุสรุปแล้วมันคือัวอะไรกลัวตาย เพะเรากลัวส like> ิ่งต่างๆนั้นมาทำให้เราตายใช่ไหมนั้นความกลัวที่ใหญ่ที่สุดคือความกลัวตายนะใช่ไหยเรากลัวสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือความกลัวตายถ้าเราถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นความกลัวตายถ้าเรารู้จักความตายถ้าเรายอมรับความตายได้เนี่ยผีมันจะไม่ได้น่ากลัวเลยนะเพราะเรากลัวผีก็กลัวมันจะมา ทำรายให้เราตายเรากลัวงูเนะี่ย <c oughs> เราก็กลัวว่ามันจะมากัดเราให้เราตายแต่ถ้าเราย่อนรับความตายได้เนี่ยมันจะไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ตกใจนะแต่มันถึงว่าความคิดวิตกกังวลเวลามันยังไม่เจอเวลามันยังไม่เห็นเนะี่ยมันจะไม่มีเนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบัน มันจะไม่อยู่กับความว่ตกกังวลไม่อยู่กับความคิดเนะี่ยมาอยู่วัดมาอยู่ที่เกลี่ยวเปี่ยวนะกลัวจะเจอผีกลัวจะเจอคนทําร้ายเกิดจะกลัวจะเจอสัตว์นะมาทําร้ายนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็กลัวตายนั่นแหละเรายังไม่พร้อมที่จะตายเราก็เลยกลัวตายแต่ถ้าคนพร้อมที่จะตายเนะี่ยเออจะไม่กลัวตายนะ สเกตก็ได้ น, นะหลายคนเวลาป่วยหนะักจิตใจมันดิ้นโดนมากนะอยากจะให้หายเอนะยังไม่อยากตายนะเพราะว่าใจเขายังไม่พร้อมนะนะยังกลัวว่าตายไปแล้วจะไปอะไรก็ไม่รู้หรือบางคนก็ยังห่วงนะห่วงในหน้าที่การงานห่วงรูปห่วงลานห่วงสิ่งต่างๆ่เยอะก็เลยนะ กลัวที่จะตายเ๋ยวๆก็เลยต้องทิ้นตนนะคคือการรักษานี่ไม่ใช่ปฏิเสธนะเราไม่ได้ปฏิเสธการรักษาไม่ได้ปฏิเสธการดูแลร่างกายแต่สิ่งสำคัญคือคนเราบาทีรักษาโรคไปด้วยดูแลร่างกายไปด้วยแต่จิตใจอ่ะยังมีความกลัวยังมีความกังวลอยู่เนะี่ยเราไม่รักษาใจด้วยนะ เรารักษาแต่ร่างกายแต่เราไม่รักษาใจเนะี่ยเนี่ยเราพ้าตัวเนี้นะแต่ถ้าเรารู้จักรักษาใจเราให้มันไม่กังวลนะให้มันรู้ทันความกลัวนะรู้ทันความห่วงต่างๆเนะาาี่ยมันจะขี้ปรในใจของเราออกไปได้พอใจมันสบายใจก็พร้อมนะจะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้นะ หายก็ได้ไม่หายก็ได้นะพอใจสบายแบบนี้นะบางทีหลายหลายอย่างก็งส่งผลให้ตั้งกายดีขึ้นไปด้วยอืมันก็อาจจะหายก็ได้นะเพราะใจมันสบายขึ้นก็ช่วยนะเป็นธรรมะโอสถอยนะ่างหนึ่งแต่ก็สุดท้ายมันก็ไม่พ้นหบอกนะทุกคนก็ต้องตายนะอันนี้ถ้าเรามีชีวิตแบบถ้าเรา ระลึกบ่อยๆนะถ้าเรามีสติบ่อยๆเราจะรู้ทันความกลัวรู้ทันความกังวลนนะหลายๆอย่างก็คือกลัวตายนะกังวลที่จะตายไม่ดีนะหรือกังวลในการห่วงนั่นห่วงนี่นั่นแหละนะนะให้เราฝึกสติให้มันรู้ทันบ่อยๆนะี่ยคือเมื่อกี้มาพูดเรื่องเลยดื่มตายนะกับกลัวตายใช่ไหมมันะนะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะสําหรับชีวิตนี้นะ แต่มาว่าคนสมัยนี้มันยังมีอีกมันมีอีกแบบหนึ่งนะนีความกลัวกลัวกลัวไม่มีตัวตนตหลายอย่างนะบางทีเราก็ทำไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันบางทีเวลาเวลามันโกรธหรือเวลามันอยากหรือเวลามันกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวตนเลยนะนีแล้วบางคนทำ ทำบุญทำดีต่างๆเนี่ยบางทีเออเขต้องให้คนอื่นรู้นะว่าเราทำํำบางทีทําก็อยากมีตัวตนือนกันนะอืมแต่สังเกตไหมเวลาทําไม่ดีเนีทำไมเราหลบๆเงยไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็มีนะนอกจากบางคนหลงผิดนะบาคนหลงผิดเออย่างวัยรุ่นบางคนนะเอทําผิดอะไรก็เออทํา อะไรที่คิดว่าตัวเองเท่ๆนะแม้มันจะผิดนะแต่ก็ต้องประกาศว่าสถาบันไหนนะกลุ่มไหนอย่างนะี้เนาะอันนั้นก็หลงไปก็มีแต่หลายอย่างนะเรารู้สึกแนมะ้เราเป็นทุกข์ใจเพราะว่าเรารู้สึกกลัวเราไม่มีตัวตนอยู่กับโลกนี้เนะีนะ่ยกลัวไม่มีใครรักเรากลัวไม่มีใครห่วงเรากลัวไม่มีใครจะรู้จักเรานะ กลัวความเป็นเรามันหายไปอันนี้เป็นทุกข์ใหญ่เลยนะมันสัมพันธ์กับเรื่องทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะอย่างเช่นสมม ต, มติหน้าตาเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะวัยก็ดีเปลี่ยนไปเพราะอุปัติเหตุก็ดีหรือเปลี่ยนไปเพราะเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆนะมีสิวขึ้นมีฝ้าขึ้น ตีนกามีหลายรอยมากขึ้นเหลือ น, นี้นะมันก็มีความกังวล น, นะกังวลความกลัวว่าที่เราเคยสวยที่เราเคยดูดีกว่า น, นี้นะมันก็กลายเป็นความทุกข์ใจได้นะมีคนคนหนึ่งนะเขาอายุประมาณสักสี่สิบต้นต้นเนาะคือแต่ก่อนเนะี้ยเป็นคนสวยมากนะ ก็คงสวยตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่คนรอบข้างก็ชมว่าสวยสวยๆนะก็สวยขึ้นไปเรื่อยๆนะอพอสามสิบกว่าก็ยังดูแลแต่เองดีก็ยังสวยเยอะแม้แต่สี่สิบก็ยังสวยดูแลแต่เองดีมากแต่พอสีสิบต้นๆทั้กหน่อยนะเริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมแล้วก็คนก็เริ่มชมน้อยลงไม่ไม่ชมก็แต่เองสวยเท่าไใดแล้ว มันเสียเซลนะคือมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสวยพ อ, อ, อไม่มีใครชมแล้วมันความเป็นตัวตนที่ว่าเราสวยมันมันถูกท้าทายมันถูกสั่นคลอนไปนะเสียเซลบางคนพอเสียเซ ล, เลก็ต้องพยายามให้มันสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคือพยายามให้ให้มากกว่าเดิมเลยนะ แต่ถ้าเรามองเป็นธรรมดาเนาะร่างกายมันก็เป็นแบบนี้แหละนะมันก็ต้องแก่ไปเรื่อยความสวยมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะมีคนชมหรือไม่มีคนชมเนะีะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปยึดถือเลยนะแต่พอเราหลงเนี่ยเราก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้น อันนี้แหละคือนะปัญหาหลักของคนที่เป็นทุกข์หลายๆอย่างนะก็คือทุกข์เพราะว่าเรากลัวความสูญเสียตัวตนนะอืสูญเสียตัวตนในหลายๆอย่างนั่นแหละนะเราแสวงหาวัตถุภายนอกที่ดูดีส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ตัวตนมันดูดีนะดูดีผ่านสายตาคนอื่นก็ดีดูดี ถ้าได้ยินเสียกระท้อนจากคำชมจากความชื่นชมจากคนอื่นก็ดีนะหรือแม้แต่บางครั้งการที่เราทำอะไรแบบเกงใจคนอื่นมากๆหรือทําบางอย่างมันทําให้ควอมกลัวนะกลัวคนอื่นเขาว่าเราไม่ดีนะนะหรือกลัวเขาไม่ชอบเราเนะเขามาไหว้วานแล้วเราก็ที่จริงเราก็ไม่ได้สะดวกทำนะแต่เราก็ เขาจะว่าเราไม่ดีเราก็ต้องไปทำให้เขาอะไรประมาณนะี่หรือหรือย่างเราก็เก่งใจจนกทั่งเราเก่งใจแบบบางอย่างเราไม่กล้าปฏิเสธนะทั้งที่เราทำไม่ได้หรือเราไม่พร้อมที่จะทำแต่เราก็เก่งใจอยู่นะ่ะเก่งใจมากไปก็กลายเป็นความทุกข์เหมือนกันนะคือมันก็เป็นความกลัวกลัวเขาว่าจะว่าเราไม่ดี กลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่นะมันก็เป็นความทุกขทั้งนั้นเลยมันก็เป็นตัวตนอย่างหนึ่งนะตัวตนที่เราอยากจะเป็นคนดีในสายตาเขาตัวตนที่เราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาเขาเออพูดไปพอเข้าใจไหมพอเห็นไ้มว่าชีวิตเรามันดาเนินด้วยการสร้างตัวตนในหลายๆอย่างนะ ตามตัวตนที่เราคิดว่ามันดีแล้วเราก็ไปยึดในตัวตนนั้นเมื่อไร่ที่ตัวตนแบบนี้นถูกสั่นคอนไปมีคนว่าเราไม่ดีเป็นทุกข์มากเลยมีคนว่าเราไม่มีน้ำใจนะเป็นทุกข์มากเลยมีคนว่าเราไม่เก่งบางคนจะยึดในความเก่งว่าเราไม่เก่งว่าเราโง่ก็เป็นทุกข์มากเลย หรือบางคนมาปฏิบัติธรรมนะมีคนว่าเราขาดสติเออเป็นคนมีคนว่าเรามีกิเลสเนี่ยก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความจริงบางครั้งเราขาดสติแล้วมีคนว่าเราขาดสติเออใช่ใช่เราก็ขาดสตออิง่ายง่ายแค่นั้นนะไม่เป็นไรเราก็ขาดสติได้ในบางขณะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่ว่า เออมีคนว่าเราขาดสติแล้วเราต้องมีโกรธเขาหรือมีคนว่าเรามีกิเลสเออใช่เราต้องมีอยู่แต่เราก็ยังฝึกขัดตนอยู่เนะี่ยให้รู้ทันกิเลสอยู่นะนะไม่ใช่ว่าเรามาวัดแล้วเราจะไม่มีกิเลสนะนะไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วเราจะไม่ทุกนะก็มีอยู่นะก็ยอมรับเลยนะยอมรับแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเรากำลังฝึกตนอยู่เนะี่ยมันจะ มันจะสบายใจแต่ถ้าเราอยากจะสร้างภาพเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็จะกลัวภาพเราจะเป็นอีกอย่างอื่นนะที่คนอื่นเขาจะมองแตกต่างไปแต่ถ้าเราไม่ต้องสร้างภาพอะไรนะเรามาเพื่อฝึกหัดตนเองนะพัฒนาตัเองให้มันรู้เท่าทันสภาวะที่มันสร้างตัวตนขึ้นนะเพราะที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการ ลกตัวตนนะแต่จริงพูดแบบนี้คือพูดให้เห็นง่ายๆนะพอมันมีตัวตนขึ้นมามีสตริรู้ธรรมมันก็ะัะมันก็วางตัวตนออกไปแต่ถ้าปัญญาระดับที่สูงขึ้นไปจริงนะคือมองเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีไอ้ที่มีตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของสมมุตินะเป็นความหลงนะ ตัววิชาคือความรู้จริงๆคือรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีความว่างจริงๆก็คือความว่างจากความหมายแห่งการมีตัวตนนะไม่ใช่ว่างแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเล ย, เลยนะเหมือนอากาศเหมือนช่องว่างเลยนะคือว่างจากการไม่สำคัญมั่นหมายในการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันเนี้ย ทุกสิ่งทุ่อยางปฏิบัติธรรมเพื่อตรงนี้แหละคือจุดหมายสูงสดนะุดคือไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่เรียก ว, ว่าไม่มีความสําคัญมั่หมายว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเนะี่ยเป็นตัวตนของเราเราจะทําแบบนี้ได้เราจะฝึกแบบนี้ได้นะเนะี่ยที่เราต้องฝึกขัดนะปฏิบัติธรรมนะทั้งใน ปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็สําคัญมากนะเพราะหลายคนก็ไม่สามารถที่จะรักการงานละครอบครัวมาได้นานๆนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าเราก็ปฏิบัติทําได้การปฏิบัติทำจริงๆนะ่ะคือการปฏิบัติที่กายที่ใจของเรานะ่ยไม่ใช่ไปปฏิบัติที่วัดหรือที่ที่ไหน กายใจเราอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมที่นั่นน่ะนะกายทำอะไรก็ให้มีสติรู้เนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วนะจิตใจมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรนะก็เห็นเขาก็รู้เขาเนี่ยเนี่ยก็ถือว่ามีสติแล้วถือว่าเราปฏิบัติได้แล้วนะกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนรู้ทันกิเลสที่นั่นนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมแล้วนะ นะไม่ใช่ว่าโอ้จะมาละความขี้เกียจเฉพาะอยู่ที่วัดนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานถ้ามันขี้เกียจขึ้นมาเราก็ต้องรับมันที่นั่นนะมันโกรธนะโกรธเมื่อไรเราก็รู้ทันมันที่นั่นนั่นแหละนะไม่ใช่รอมาแก้โกรธที่อื่นแบบนี้เนาะนั่นเราต้องคอยฝึกตัดทุกวันนะถ้าใครจะปฏิบัติแล้วมันเหมือน ถ้ามันมีกำลังมากขึ้นน่ะมันต้องเป็นคนที่ที่มีการมีวินัยก็หน่อยนะมีระเบียบวินัยกับตัวเองอมีความคล้ายคมีสัจสกกับตัวเราเองน่ะอืมเช่นถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติทำทุกวันนะอเช่นทำในรูปแบบตอนเช้าสิบนาทีตอนเย็นยี่สิบนาทีอะไรไง็แย่นะ เมื่อทำในรูปแบบอย่างนั้นก็ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วก็เวลาเหลือที่อื่นนะเช่นกิจวัตรต่างๆเราตั้งใจที่จ ะ, ะทำใจจะรู้สึกตัวในกิจวัตรต่างๆให้มากขึ้นแทนฟันล้างหน้ากินข้าวแต่งตัวอาบน้ำเดินนะ่นนะไม่ต้องใช้ความคิดมากพยายามจะมีสติรู้กายบ่อยๆอย่ะนะีถ้าเรามี มีความตั้งใจไว้ในใจนะมันจะมีสติได้บ่อยขึ้นรวมทั้งเวลาทำงานนะเออว่างเมื่อไหร่เออมีสติเราจะกลับมารู้สึกตัวหมุนนิ้วมือนะพลิกมือเลยนะให้มีสติรู้ตัวรวมทั้งถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะเราก็ต้องมีสติคอยรู้ทันใจเราเนะี่ย มันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาในใจแล้วก็พอมีสติรู้ธรรมมันนะนีน่ถ้าเราหมั่นฝึกตัวเองบ่อยๆแบบนี้นะมันจะมีสติที่มันเรียกว่าแก่กล้าขึ้นก็จะเห็นว่าที่จริงอ๋อการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถแทรกได้กับทุกขณะของชีวิตเราเลยเมันจะขยายผลไปเองนะมันจะขยายอ๋อ นี่ก็ปฏิบัติทำอยู่นี่นะเราก็ลังเรียนรู้เนะี่ยพัฒนาสติอยนิเนี่ยพัฒนะนาธรรมะอย่นี่นะมันก็จะรู้สึกว่าเออเราก็ยังอยู่ในทางนะไม่ใช่ว่าโอ้หายไปเป็นปีนะหาอไปหลายเดือนนะแต่มันจะรู้สึกว่าเอออการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยแหละนะบางครั้งเจอปัญหาบางครั้งเจอความทุกข์ ยิ่งดีนะเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นว่าเราสอบผ่านไหมเนี่ยสติมันพอไหมเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเออผ่านหรือเปล่าแล้วถ้าเราเรียนรู้เนี่ยในการพยายามมีสติพยายามเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์อยู่ในตอนนั้นนะมันจะเข้มแข็งมากมันจะเข้มแข็งมันจะได้ปัญญาเนะ่หลายอย่างเนี่ย เวลาเรามีปัญหาเนอะใช่ไหมแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหานั้นได้เนี่ยเออมันจะเกิดความเข้าใจอะไรใหม่ๆนะหรือบางทีไม่เข้าใจมากอย่างน้อยเราก็ได้มีความเพียรในการพยายามที่จะพาจิตใจออกจากความทุกข์นะก็มีความเพียรเนี้ยคือบางครั้งในชีวิตเรานะมันมีปัญหาเนะี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเราบุญน้อยนะไม่ใช่เพราะว่าเรามีวิบากกรรมมามาซ้ำเติมอะไรมากมายหรอกอย่าไปคิดในทํานองนั้นแต่ให้มองว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอะไรก็ไม่รู้แหละนะเราไม่มีญาณที่จะไปรู้ว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้นะแต่จริงๆให้มองว่าทุกๆชีวิตนะก็มีปัญหากันเท่งนั้นแหละนะ ไม่มีใครที่จะค้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะปัญหาทางกายก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายนะปัญหานะในหน้าที่การงานปัญหาในสังคมมันมีทั้งนั้นแหละไม่มีใครหนีพน้นแต่เราจะอยู่แบบไหนให้เรามีปัญญาไม่จมทุกในปัญหารื่นั้นอันนั้นแหละคือคนที่มีปัญญา มองปัญหานะเป็นเรื่องท้าทายมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามองปัญหาเป็นเรื่องที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเราให้มีสติปัญญามากขึ้นนะแล้วเราจะฉลาดขึ้นนะฉลาดในทางธรรมะขึ้นนี่แหละคือมีปัญญาพาจิตพาใจออกจากความทุกข์ได้ บ, บ่อยๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะแล้วก็สุดท้ายนะ ไห้เราระลึกบ่อยๆว่าเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่อนี่นแหละเพื่อความไม่ทุกข์เพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะบรรลุธรรมไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่นะเพราะการเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นตัวตนนะอบางทีความบรรลุธรรมก็คือความอยากนะ แต่ตัวเจ้าท่านสอนให้เราัะความอยากนะละความอยากก็คือละตัวตนละความยึดมั่นถือมั่นนะความสุขมันก็มีได้นะความร่ำรวยก็มีได้ความสะดวกสบายก็มีได้แต่ขอให้มีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะใจจะสบายใจจะปล่อยวางนะพออยู่ในที่ที่มีความทุกข์ ที่ที่ไม่สะดวกสบายนะอยู่กับร่างกายที่มันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อยู่ได้เออไม่เป็นไรนะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะใจก็ไม่ทุกข์เนะนะเราปฏิบัติเพื่อตรงนี้นะเพื่อเพื่อตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบททัติธรรมเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะชีวิตมันจะมีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงนะ ก็ปา ก, ปากไว้นเช้าวันนี้